แต่เมื่อไหรจะเลิกเมือที่ดทาดทธรรมะถูกปลุกนะปฏิบัติตงง ท, ทั้งหานฟังธรรมะที่พระพุ้ธเจ้าท่านได้ปฏิบัตมาดูสุบาจันทร์วเรานี่ปฏิบัตันเชืคอปฏิบัติมาดูาาาา ป, ฏาาปฏิบัติขาดูสุบาจัน ลิข ส, สัวภาต่างๆมัค่อยจะเหมือนกันองค์เป็นอย่างบางท่านบางองค์เป็นอย่างการอยู่การอาศัยรือสถานที่ท่านรู้ทำก็ไมเ่เหมือนกันบางท่านอยู่แห่งบางองค์อยู่แห่งเริดนั้นเรื่องทั่วไปของท่าน นเหมือนกันแปลกันแต่ที่ว่าความบริสุทธิ์ของใจเหมือนกันท่านพิเดตทตระหนูอยู่สถานที่ใดความบริสุทธิ์ของใจเป็นอย่างเดียวกันทั้งหมดเรื่องของท่านจึ ง, งหน้าบูชานากราบบ้างส่วนพวกเราทั้งหลายจึงเรียกว่านัปฏิบัติทุกวันนี้ ปฏิปาทาของเราที่จะดำเำนินไปสความหลุดพ้นให้ชาการสมใจปฏิปทาอย่างไรที่พวกเราเคยปฏิบัติกันมาแต่รับความสุขความสบายภายในใจหรือเป็นไปเพื่อความแก้ไขีิเลสในจิตในใจทั้งคนปฏิปทาส่วนนั้น ไม่ควรพวกเราท่านจะเกิดสงสัยว่เป็นยังไงจะถูกไหมหรือเป็นอย่างไรไม่ควรจะสงสัยถ้าหาจิตใจของพวกเราท่านแบบว่าความสงบสงบจากการปฏิบัติจะเป็นการบริกรรมก่อตังการกําหนดลมหายใจก่อตังปฏิปทาส่วนนั้นถ้าว่าถูกกัจจเรศน์นิสัยของพวกเรา ให้ตั้งหน้าตั้งตาตระพฤึกปฏิบัติปฏิปทาส่วนนั้นให้มากเข้าหาเราเกิดลังเลสงสัยไม่ตั้งใจตระพฤึกปฏิบัติในปฏิปทาส่วนเราเคยได้รับคามสับสัยไปได้ยินได้ฟังของขัน อ, องค์อื่นหรือไปดูดแบบแสงตำรามาทําอย่างนั้นถึงคอยได้มาได้ผลหรือถูก ถนนท้องางเมื่อเราเกิดความสงสัยหลังเลใ่ใจในที่ปฏิบัติไปตามแบบแผนที่เราเคยสงบสงบมาเราจะเสียค่าอย่างน้อยจะเสียเวลาอย่างมากไปกว่านั้นก็ขาดคุณผลกำไรไปเลย <S <S เกิดนั้นเรื่องปฏิบัติทาหรือเรื่องการปฏิบัติภายในจิตใจของพวกเราท่าน ใครเยคยทำความสงบสงัดต้จากการปฏิบัติอย่างไรควรจะยึ ด, ดถือปฏิปทาส่วนนั้นปฏิบัติเข้าเชิญให้ได้รับความสงบสงัดเชิญให้ได้รับมาไรับผลไปจากปัจิตปัใจของหมทุกกลิ่นทุกส่วนที่เราก็ะพฤตปฏิบัติได้รับผลก็แสดงแล้วว่า เป็นปฏิการทาที่ดีถ้าเป็นยากระถูกกับโรคของเราจะทําให้โรคภครภัยเจ็บหายได้ได้แตเป็นยาที่มีราคาสูงหรราคาต่ำหรือราคานีาาไ้ได้ต่างแต่เถ้าว่าถูกโรกคภัยของเราเราก็ควรรับทานยาแบบนั้นเพื่อให้โรคภครภายในกายของเราหายาส่วนจิตใจของพวกเรา ท, ทัานทางหลายก็เหมือนกันเราจะต่อเพื่อปฏิบัต กำหนดลมหายใจหรือการบริกรรมหรือจะเช่งดูอาการภายในใจของเราส่วนใดส่วนหนึ่งจิตใจของเราเกิดท่ามสว่างสวยเงียบสงบภายในใจไม่เคยปลุงไปในเรื่องอดีตอนาคตปัจจุบันรู้จักว่าจิตใจทั้งสนเก็บจอดต่อตั้งในเรื่องกรรมฐานส่วนนั้นเป็นได้รับความรู้ความสละที่เคย จิตค้องในอารมณ์สัญญาต่างๆหรือเยแส飒ไปตามสัญญาอารมณ์พอเราพอพื่งปฏิบัติเข้าเชื่งเข้าหรือกำหนดเข้าจิตใจของเราเคยแ ส, สาก็เลยหายไปสงบได้การสงบเบื้องตน้นจึงเป็นกำลังสำคัญที่จะให้พวกเราท่านได้รับศรัทธาในความเชื่อ มันในศาสนาถ้าหากมาเห็นความสงบไปจากในใจิตในใจของตนอ เ, องเอาเชื่เลยการจะปฏิบัติวันนี้ก็ไม่ได้ผลวันหน้าก็ไม่ได้ผลเดือนนี้ไม่ได้ผลปีหน้าไม่ได้ผลื่อไม่เห็นผลชัดเจนในตนคือเห็นความสงบสงบปฏิบัติไปอย่างไรจิตใจก็แสบใจอยู่อย่างนั้นมันมีวันมีเวลาที่จะสงบ ศัทธาที่เชื่อว่ามรรคผลมีก่อหายหนาหายตาไปเพราะเหตุใดเพราะเราไม่เห็นผลในส่วนท้องตนคนที่เห็นผลจะตําหนดอะไรทำอะไรลงไปเกิดผลเกิดประโยชน์คือความสงบท้องใจทำให้จิตใจของท่านเหล่านั้นเชื่อมั่นว่ามรรคผลมีการปฏิบัติตทเพียงแค่นี้ก็ได้รับผลว่าประโยชน์ได้รับความสงบสงัดมีศรัทธาอยากจะปฏิบัติ ให้ลุร่วงจากที่เหลือตั้นแหาท่านจึงว่าศรัทธาเป็นของสาคัญศรัทธาที่จะเกิดได้ก็ขอ้ออาศัยเห็นผลในการกระ ท, ทัาของตนเชื่อกวานถ้าหากไม่เห็นผลจะศึกษาไปเท่าไรจะปฏิบัติไปเท่าไรใจก็เร่ร่อนอย่างนั้นไม่มีวันมีเวลาจะเชื่อมัน่นคนที่เชื่อมัน่นเพราะการปฏิบัติเนผลเกิดขึ้นกับตนอย่างนั้น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 เป็นเรื่องเราคาดเอาไม่ได้ผลจะเกิดขึ้นมันเป็นขึ้นเองเพราะเรื่องของผลมันเสร็จมาขอําคัญให้เราปฏิบัตมิมัดของเรามัดเป็นของแปลงได้มัดเป็นของทำได้เราจะบังคับจิตบังคับใจของเราให้อยู่ในสัญญาอารมณ์อะไรจะเพ่งอะไรให้ตั้งใจทำจริงจริงใจังๆ เมื่อเราทำจริงจิงจังๆลงไปไม่ปล่อยใจไปสังคมกับอารมณ์ต่างๆหมั่นที่นึกที่จะเล่นาะคือเอาเชื่อว่าอารมณ์ส่วนนี้สาหากเราประพฤติปฏิบัติยังไม่ได้ผลเรื่องที่เหิดหรือตันหาคาำยากได้อะิ่งอื่ น, นหมอกนี้เราไม่ยอมไปเราจะกำหนดทำบวทนี้ให้รู้ให้เข้าใจหรือให้สงบสงดเสียก่อน เนี่เราคิว่าทมบทนี้เป็นสิ่งที่จะนําพาจิตใจของเราให้ตายแน่หรือให้ไดรับความสงบสงัดเราปลูกคทถาเชื่อมั่นในการปฏิบัติของเราอย่างนั้นทุกท่านทุกคนที่ไม่เคยสงบไม่เคยสงัดก็จะสงบสงัดไปคนที่สงบสงัดไปแล้ว <c oughs> เกิดความเสี่ยงความเสียมีา ม, ย ม, มาถมเถอไปเหมือนกันเพราะ การเพื่อปฏิบัติในเหมือเป็นตั้งหน้าตั้งตาระธิตปฏิบัติจริงจังก็ื่อรับผลและประโยชน์เพื่อเลื่อมใสพอใจในการเป็นการเห็นของตนแต่แค่ว่าพอใจสงบสงดัดลงไปเห็นผลนิดหน่อยเล็ก น, อน้อยเลยปล่อยวันปล่อยเวลาปล่อยจิดปล่อยใจไปสู่เรื่องอันอืน่นเห็นเรื่องอันอืน่นทำเรื่องอันอืน่น เห็นเป็นของสำคัญยิ่งกว่าการปฏิบัติของใจเมื่อเป็นอย่างนั้นจิตใจที่เคยได้มาไม่ใต่ใช้ทุกการทุกเวลาควนจะหามาเพิ่มเติมไม่หามาฮหจิตใจก็เลยหมดไปเสี่ยมคุณภาพไปผลที่สุดไปพูดกับคนอื่นรือนักปฏิบัติหรือครูอาจารย์ พอพูดทของเก่าเกียวกับเราเคยเจนมาแล้วแต่เทวว่าจิตใจปัจจุบันทุกวันนี้เป็นอย่างไรไม่ค่อยพูดถึงและไม่ค่อยทํานึง่งอยากกระพื่พปฏิบัติให้ดีเด่นขึ้นไปเกิดนั้นนักปฏิบัติที่ถึงทันเหล่านี้ถึงเคยเสื่อมไปเสียไปมีจํา น, นวนมากเหมือนกันอย่างพวกเราท่านเคยรู้เคยเห็นเคยได้ยินเขาพูดกันมาบวชหลายหลายภษาเคยเจอนักปฏิบัติดีเด่นอย่างนั้นอย่างนี้ แต่ไปจืบเพียเล้เรแหลกไปอย่างอื่นเพียนี่เพราะเกิดบุคคลปู่นั้นไม่รักษาเรือทำยังไม่ถึงจีดทิง้งท่านเราไปปล่อยมือวางมือเสียเมื่อเป็นอย่างนั้นความเสี่ยมเสียของคนจึงเกิดขึ้นส่วนปู้จีท่านต่อึกปฏิบัติไม่มีการเสี่ยมการเจริญตายตัวแล้ว ท่านไปอยู่ในสถ า, านที่ใดไปสถ า, านที่ใดจิตใจคงที่ดีงามนั่นคือท่านระจับผลหรือพ้นใจจากการปฏิบัติเพื่อหวังผลเพราะผลท่านได้เป็นจิตเป็นใจของท่านแล้วไม่มีการเสี่ยมการจเจริญการเสียการหายเราท่านทั้งหลายเน่เป็นอย่างนั้นกําลังตั่งหน้าสั่งตาปฏิบัติเพื่อผลเพื่อประโยชน์เพื่อความ หลดพ้นทองใจางา้าหาธรรมนิดๆหน่อยๆเห็นผลเกิดขึ้นจะไปหยุดัะ ง, งักเซียเห็นเรื่องลาอันอื่นเป็นของสาคัญหรือว่าการปฏิบัติการใดสมัยใดต้องปฏิบัติได้พอเราเคยปฏิบัติมาแล้วเห็นผลมาแล้วความจริงเห็นผลมาแล้วกว่อต่างแต่ถ้าว่าเราปล่อยไปนาน ความเสียหายของจิตของใจอาจร้ายแรงกว่าที่เรายังไม่เคยปฏิบัติเพี่เลยก็เป็นได้จิตใจของพวกเรางไงไงคเคเรียดในงี้ยควรที่จะใคยปฏิบัติทำเพื่เลยไม่ใช่เข้าวัดภาวานไม่เคยจำสีมภาวานาอยู่บ้านอยู่ช่องของตนสัญญาอารมณ์อะไรไม่เคยระวังรักษาที่เหลือปัญหาของบุคคลผู้นั้นเจ็นเป็นธรรมดาไม่เคยร้าย เหมือนกันกับนักปฏิบัติถ้าจะเทียบก็เหมือนกันกับเสือเสือผิดอยู่ตามป่าธรรมดามันกลัวคนแล้วก็มไม่เคกล้าที่จะสู้กับมนุษย์เท่าไหร่แต่ถ้าหากมันไปถูกปืนมีคนไปยิงมันเสียแต่มันไม่ตายมันเป็นบาดเป็นแผลเขาถือว่าเสือนั้น ร้า ย, ยิ่งปว่าเสือธรรมดาหลายเท่าเห็นคนเข้าก่อนจะดัดเห็นตัดเข้ากอนจะกินทุกอย่างร้ายขึ้นมาจิตใจขอนักปฏิบัตกิกลมเงินกันแต่ชาที่เรายังไม่เคยปปฏิบัติอะไรอยู่ในบ้านในช่องจิตใจของพวกเราก็ไม่เช ย, ยเฉื่เฉินเฮืมในวิเลกัญหาหนักหนาเท่าไรพออยู่พออาศัยได้พอมาปฏิบั ต, รรบตริรู้เห็น เศษขนนิดนิด ห, หน่อยจิตใจเคยสงบสงบต่อเมื่อเราปล่อยมือไม่ปฏิบัติไปจิตใจมันเสื่อมมันเสียจากผิวจากคำจิตเคยับพปฏิบัติทีนี้ยเรื่องจิตใจร้ายกาจที่สุดอะไรสิไม่ควรคิดก่อนคิดอะไรที่ไม่ควนกกร น, คว น, นึกก่อนนึกอะไรไม่ควรตำหนัดยินดีก่อนตำหนัดยินดีทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันกับเสือที่ถูกปืนดเขาเรียวกว่าเสียใจเสือ ไปเป็นเสือที่ร้ายบุคคลทั้งหลายรู้จักว่ามันอยู่ในป่าไหนในป้าจะเข้าไปเพราะมันจะกัดเอาจริ้นๆเดงนจังทันใดจิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายก็ให้ระวังรักษาถ้าจะฆ่าให้่ามันตายอย่าไปทําให้มั น, มนเจ็บมันปวดนิดๆหน่อยๆถ้ามันกัดที่หลังเสื่อมที่หลังพวกเราทั้งหลายจะได้รับความลําบากยากเย็นแ ต, ตแติเพื่อปฏิบัติแตเหมือเดิมไม่เซ็นไม่ไป จะต้องตั้งจตั้งใจก่อเพื่อปฏิบัติอย่างจิิงอย่างจรงลงไปถึงจะเกิดจะเห็นจะเจนขึ้นถ้าหากปฏิบัติเจนขึ้นนิดหน่อยไปนอนใจปล่ยอยให้มันเสียหายไปเอาอีกไล่ขึ้นอีกเสียนนั้นการป่อเพื่ปฏิบัติของนักปฏิบัติจะต้องตั้งสักดตั้งจริงในใจินในใจของตนเมื่อได้ผลประโยชน์ที่เราต้องการยังไม่ได้ในที่ เราไม่ยอมปล่อยมือจะต้องสร้างหน้าตร้างตาต่อสู้ปฏิบัติเป็นสุดวิสัยของเราเอาชีวิตเข้าสู่อทีเดียวหากบุคคลผู้ใดนึกคิดเรื่องเหล่านี้กา ร, ระตะอสู้ปฏิบัติจะอยู่ในสถานที่ใดกําหนดจิตกําหนดใจกําหนดบทธรรมสอนใจของตนอยู่สม่าเสมอไม่ปล่อยวันเวลาให้หายไ ป, ป่างบุคคลผู้นั้นแหละ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 เราทำอย่างไรและชัยเอาความสงบสงัดมาให้เอาความอัศจรรย์มาให้แก่เราแล้วเราทำเวลา น, นี้ทางเราทำถูกต้อตงตามสีตามธรรมเจริงจังพอคงจะเห็นผลเห็นประโยชน์ในการใดสมัยในท่อแท่ออนแอในการแต่พืปฏิบัติท่องสนตั้งหน้าปฏิบัติจริงจจังจังจะเกิดผลเกิดประโยชน์จากการปฏิบัติพึ ให้เราได้รับความสงบสงบได้รับความสุขความสบายภายในใจของสนหากไม่มีปัญญาสอนสนเห็นว่า ท, ทำมาได้ก็หายไปทำมาได้หายไปเสื่อมไปเสียไปหยิกใจออดหยิกใจถอดถอนจากการปฏิบัติเข้าใจหรือเมาตัววะเรื่องวาสนาของเรามีเพียงแค่นี้ทามานานปีแล้วเน่ย ได้ขึ้นมานิดนิ้หน่อยหน่อยก็เสี่ยงไปเลยไม่มีความพอใจไม่มีความเต็มใจจ ะ, ปะไปพิสูจปฏิบัติทางดีทางดีต่อไปเหตุ น, นี้ผู้ที่เสียไปสึกไปก็เพราะเรื่องเหล่านี้ไม่ควรที่นี้ไปเจ น, นะาเอาจิงเอาจังก่อนจะเสียไปเราไปทำอย่างไรก่อนจะได้มาเราทำอย่างไรห่า ผูมีปัญญาที่นิ้ทีจนาเรื่องเหล่านี้จะเห็นเรื่องความที่เสี่ยมไปและได้มาของสดมาเห็นทางเสี่ยมการรักษาที่จะไ ม, ม, ม่มันเสีย่ยมมันเสียก็มีทางที่จะรักษาการจะทําให้จิตใจตาวเนะีก็เห็นถนนทา ง, ทางอีกเหมือนกันเหตุนั้นพวกเราท่านนักปฏิบัติสมัยปัจจุบัน การปฏิบัตินับแต่ดอยลงไปเรือคนสนใจน้อยลงทุกวันทุกเวลาเพราะไม่เห็นคุณค่าของเรื่องของศาสนาหากเห็นคุณค่าในการาปฏิบัติเรื่องศาสนาจริงจังคนจะต้องสนใจและท่านผู้ปฏิบัติก็จะไม่นอนใจพูดจะปาศัยอะไร ก็มักอยากจะพักจูงไปในทางทำทางดีหนทางจิตใจสงบสงบด้วยทางปฏิบัติเกี่ยวความหลุดพ้นอันนี้ม่เป็นอย่างนั้นการสนใจของบุคคลทั่วไปสมัยปัจจุบันโลกมันลืนกินธรรมเอาแค่หมดไม่มีบุคคลผู้ใดใครผู้หนึ่งจะสนใจเรื่องของธรรมยิ่งกว่าเรื่องของโลกไม่ว่าตั้งแต่คาร ว, ว่ายาดโยพระ อยู่ในวัดในวานักปฏิบัติผมอยากจะเป็นใปแบบนั้นเหตุนั้นการปฏิบัติตริงน้าวันเสื่อมลงไปเสียลงไปหาพวกเราผู้เป็นนักปฏิบั ต, ติผู้นับถือศาสนาบวชมาเพื่ออุทิศ ต, ต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จริงจังไม่ตั้งมั่นบากบั่นในการพปฏิบัติแล้ว จะทำอย่างไรศาสนาของพวกเราที่เราถือเอาไว้ว่าเป็นของดีของดีจะมีอายุยืนยงคงอยู่นับวันที่จะเสียไปถ้าพวกเราตั้งใจอย่างนั้นอย่างไรกันก็ได้บวชขทามาอุทิศชีวิตของตนต่อพระศาสนาจริงจังแล้วตั้งหน้าตั้งตาปัดสิปฏิบัติทุกวันทุกเวลา ทุกลมหายใจท้องตนความเป็นไปและความกล่าว้าของจิตของใจตนเป็นอย่างไรจะแกมใสชัดเจนเห็นไปจักในการปฏริบัติของตนเมือ่อเห็นผลไปจกักชัดเจนอย่างนั้นพวกเราท่านที่เป็นนักปฏิบัติก็ไม่ตัวว่าศาสนามันจะเสียไปจะเสียไปเพราะเราได้ ผลกำไรจากการปฏริบัติอย่างไรเราก็จะได้มาแนะมาสอนศิตญาณสิตต่อไปหรือคนที่สนใจต่อราศาสานาเห็นพระเนรอยู่ในวัดเนวางตั้งหน้าต่างตาปฏิบัติมีความสงบสงบัดผัดค่้องจิตใจอะไรเข้าไปศึกษาไปถามท่านท่านแนะนำคำสอนถูกอัดถูกทำจริงจริงจังจ เขาก็จะเชื่อจะเลื่อมใสจะพอใจต่อการปฏิบัติตามนักปฏิบัติถ้าหากพวกพระเนรไม่สนใจผู้นำไม่ต่างหน้าต่างตาภาวนาจริงจังปลอยวันปล่อยคืนให้เสียไปไม่สนใ จ, น ใ, จในการแจกไขฝ่ายตามที่ฝ่ายที่หนึ่ ศาสนาก่นวันนับเวลาจะเต่ามองถึงยังอยู่ก็ไม่มีผู้สนใจเพราะเหตุใดเพราะผู้อยู่ในศาสนามาคึเกเจกะละลานใจต่างๆไม่น่าเหลื่อมใส่ไมน่าเขาไม่น่าฝ่าว่าเข้าไปก็บนทุกบนอยากบนลําบากต่างๆนานาไม่เห็นมีอะไรผิดแปลกแตกต่างกับพระว่า เน่เป็นอย่างนั้นเขาก็ไม่อยากเขาวัชโวเขามาหาสุธูบาอาจารย์เพราะไม่มีธรรมนี้ใดไม่มีอะไรเป็นเครื่องเตือนใจเขาเป็นเครื่องจิตทำให้เขาจิตปกชอบใจในการปฏิบัติทางศาสนาหากพวกพระเนนทุกูทุ ก, ท ก, ทกองตั้งหน้าตั้งต า, ต า, ตาตปฏิบัติและมีความสงบสงัดรู้แจ้งเห็นจริงในเรื่องของธรรม สิงสนต่อไปจะปฏิบัติแล้วการแนะนำแกจ่จะทำไมใครทุกคนที่เกิดขึ้นมาในโลกจะต้องมีที่เลสประเภทเดียวกันคือมีความโลภความโกรธความห ล, ลงอย่างเดียวกันต่างแต่มากหรือน้นอยกว่ากันเท่านั้นส่วนความโลภเราในที่นี้ที่จะเรียนาอย่างไรจิตใจของเราจรึงหายจากความโลภไปความโกรธเราประพฤต ปฏิบัติเราเด็ที่น้พิจารณาอย่างไรจิตใจจึงเห็นโสดของความโสดปรับเกิดเป็นคนเนตตาแบบนีเราควรจะมีวิธีแนะสอนคนอื่นโสดของความโลภเป็นอย่างนั้นการพิจารณาอย่างนั้นความโลภจริงคอยหมดไปตกไปความโสดโสดของมันเป็นอย่างนั้นคนที่ละโสดได้มีความสุขความสบายอย่างนี้อธิบายให้เขาฟัง แก้แยงชัดเจนเพราะเหตุใดเพราะตนเองเคยก่อเพืปฏิบัติมาอย่างไรเข้าใจชัดเจนอย่างไรและได้แก้ไขอย่างไรเรื่องที่ตัวต่อเพื่ปฏิบัติไปเหล่านั้นแหละเป็นยาสําหรับจะแก้ไขบุคคลที่เป็นโรคประเภทเดียวกันให้ายไปได้นี่เราไม่เป็นอย่างนั้นความโลภความปวดความหลง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 ผู้แบบผู้ห้ามผู้หาผู้หิ้วถือว่าเป็นของเบาของสบายเรื่องของโลกเป็นอย่างนั้นส่วนเรื่องของธรรมผู้จีละผู้จีวาผู้ที่ปล่อยผู้จีถอนจากเรื่องเหล่านั้นถือว่าเป็นความสุขความสบายพระพุทธเจ้าหรืออริยะเจ้าทั้งหลายเคยปฏิบัติมาอย่างนั้นเมื่อเราที่เจริญนาเรื่องเหล่านี้จะเห็นชัดเกจนในจิตในใจของตน ว่าความยึดหน่ยวแบบหามเรื่องต่างๆที่เราถือว่าเป็นของของเราเราแสวงหามายึดมันว่าเป็นของดีท้องดีอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อที่เจรจากันจริงจริงเรื่งเหล่านั้นที่เราถือว่าเราว่าของของเราจะไม่ให้ทุกแต่บุคคลผู้ใดยึดถือไม่มี นี่ใจจกให้ทุกนี่มากเท่าไรยิ่งทุกใจมากเท่านั้นคนที่ไม่มีเรื่องเหล่านั้นจนดับความอยากได้ภายในจิตในใจจริงจังมีความสุขจะอยู่ในสถานที่ใดก็มีความสุขเพาหมดความอยากนี่เรื่องของความอยากพระพุทธเจ้าจริงสอนว่าเป็นสมุทัยพื่อเป็นทาง เกิดทุกข์ภายในใจทองสดทางหาบุคคลผู้ใดละความอยากได้เรื่องใจจะเป็นทุกข์ไม่สู่จะมีเพราะไม่มีความอยากคิดด้วง่ายสิ่งใดที่เราหมดความอยากหมดความหวงแผนหมดความยึดถือเส้นหน้ามูกหน้าลายของพวกเราที่เราถ่มออกไปสิ่งออกไปเราไม่มีความหวงแผนภายในจิตในใจของเรา ใครจะมาเหยียบมาย่ําใครจะมาทาอย่างไรใครมีจิตใจโกรธให้เขาหรืเกลียดเขาที่เขาทำอย่างนั้นส่วนจริงได้ที่เราห่วงมากห่วงมากสิ่งนั้นแหละจะทําให้เราเกิดทุกข์ใครมาแต่ต้องนิดๆหน่นอยๆไม่ได้เกิดทุกข์ทุกทางใจขึ้นมีความยึดถือทุกสิ่งทุกอย่างที่เรายึดถืออยู่ในจิตในใจเป็นไปอย่างนั้น ควทำจิตใจของเราข่านให้เกิดทุกข์เจตนั้นการละการวางการถอดการถอนการทิดนี้พิจารณาโดยปัญญาเห็นประจักษ์ชัดเจนยึน่งจะถอดจะถอนสิ่งเหล่านี้ได้ถ้าหากไม่เห็นประจักษ์ชัดเจนภายในจิตในใจยึดจะต้องยึดจะต้องหน่วงจะต้องหวงต้องแหนสิ่งเหล่านั้นถ้าหาพิจารณาชัดเจนเห็นประจักษ์ว่าสิ่งเหล่านั้น ห่วงเท่าไรห่วงเท่าไรยิ่งนำภัยคือความทุกข์มาให้เราจะถอดถอนจิตใจออกจากส่วนเหล่านั้นได้ทางคาสิทธิพุทธศาสนาแผ่นจึงว่ะปิยะโตปยะเตโสโขปิยะโตปยะเตพยังความโกกขั่วไปเกิดขึ้นจากใจเสียรักที่ชอบถ้าหากไม่มีความรักความชอบ ความโศกเศราเสียใจในส่วนนั้นไม่มีใทยทั่วไปก็เกิดขึ้นจากสิ่งที่คนรักคนชอบใจคนติดข้องถ้าหากไม่ติดข้องไม่ชอบใจไม่ยินดีในสิ่งเหล่าิ่งเหลานั้นไม่เคยเกิดเป็นภัยเป็นอันตรายต่อจิตต่อใจของบุคคลผู้เม็ไปเกี่ยวข้องหรือยึดถือนี่เป็นพาจิต ของพระพุทธเจ้าแน้สอนนักปฏิบัติส่วนทางโลกมเป็นอย่างนั้นรักใครกันข่ากันไม่ได้รักใครกันไม่มีภัยอันตรายถือกันไปแบบนี้แต่ความจริงรักอยู่ที่ไหนทำเกลียดทางก็เกิดขึ้นจากที่นั้น จ, งจึงว่าเป็นไทยสำคัญทำให้โศกเศร้าเสียใจ เ, เพราะความรักเป็นต้นที่ให้พวกเราท่านที่มุสลิมนาดู อะไรทั่วไปซึ่งมีอยู่ในตัวของเราพอดีหรือสิงเกี่ยวข้องกับตัวของเราพอดีที่เราคิดว่าเป็นของของเราเรารักใครเราชอบใจอะไรจะไม่ให้ความโศกแก่เราไม่มีจะไม่เป็นภัยอันตรายใ น, ในใจิตในใจของเราไม่มีอย่างน้อยจะเสียใจแห้งใจเศ่าใจเกิดขึ้นเพราะความชอบใจเพราะความรักส่วนไหนกินใดเราละได้เราถอนได้เราไปจากแค่เกือน เหโดยปัญญาว่าสิ่งเหล่าน yeah> <oh ั้นไม่ควรจะไปเย็ดไปถือย็ดถือแล้วก็ไม่ได้ผลได้ประโยชน์อะไรเราปล่อยไปสิ่งเหล่านั้นก็คงที่ท <|si|> ิ้งทรายเสื่อมมันก็เสื่อมไปทิ้งทรายเจริญมันก็เจริญไปทิ้งทรายเสียมันก็เสียไปทิ้งทรายดับมันก็ดับไปเราปล่อยใจชาตเกิดในเรื่องเหล่านั้นไปจากในตัวของตัว การบริหารส่วนเหล่านั้นแล้วก็บริหารมันอยู่แต่แค่ว่ามาอยู่ใต้อำ น, นาจของความรักความยึดส่วนนั้นพออาศัยกันไปเฉงแขงเหมือนกันกันกบคนข่าม น, น้ำอาศัยเรือเมื่อเือก็รั่วก็พยายาม ยายาไปพอถึงฝั่งแอบไปถึงฝั่งแล้วเขาจะแดกจะหามเรือไปแบบมันมีคุณมีประโยชน์แกเราไปที่ไหนจะแดกมันไปหา ม, มันไปมันให้ประโยชน์แกเราเราข้ามฝั่งได้ก็เพราะอาศัยเรือลำนี้เขาจะทำอย่างนั้นนะเขาคงไม่ทําสําหรับคนดีเขาจะปล่อยึิงไม้ข่าดิบเป็นชิ้นไปด้วยจะถูุกใส่เป็นไม้ริบหลักต่อไว้ขนาดส่วน ท่านผู้ทั่วไปก็เหมือนกันอาศัยขาดขันเป็นทางต่อพืชปฏิบัติเมื่อขาดขันผัดข้องก็เยาียารักษากันไปแต่เพื่อว่าไม่คิดว่าขาดขันเป็นตัวข้องขันไม่คิดว่าขันจะขาดเปนขันทิน้งวามมันแตะมันสลายไ ป, ยปไที่ต่อพืชปฏิบัติได้ทิ้งขี่ทิ้นฐานเรื่องขาดขันท่านรู้จักขัดเยน ท่านกอมเมนตมาแดกมาหามาอีกซอยมันขึ้นพอถึงฝั่งถึงจุดหมาตายทางได้วมีพวกเราทั้งหลายมันเป็นอย่างนั้นยังแดถาด่าดแดกขันยึดหน่วงถาดขันว่าเราว่าของของเราจิตใจจึงเกิดความเศร้าคามโศกหรือเกิดความยินดีพอใจในเมื่อถาดขันมันเป็นไปตามความต้องการของตนมันเป็นไปแบบนี้ เรื่องพระพุทธศาสนาที่ทป็นชี้ว่าผู้ศึกษาหรือาีาว่าสาบกินจังยางสนิชฐานเรื่องพระโสดาบันว่าละสัตยาทิฏฐิอิสิจิษาสีรัตตปามะได้ไม่ชีอกายว่าตนไม่ชี้ตนว่าชาไม่ชีอว่าตายมีในตนไม่ชีอว่าตนมีในตายตลอดทันทั้งห ไปอย่างละสีว่าสีเหมือนกันความเข้าใจอย่างนั้นถ้าหาเจ้นไปจากพัดเกินอยู่ทุกวันทุกเวลาเข้าใจร่าคนเข้าใจอย่างนั้นจะไม่มีการโผลเศร้าเสียใจที่ไรยราำพันจะไม่หลงไม่เฮไปในอารมณ์สัญญาของโลกเรื่องราค้าตัญหาทั่วไปจะไม่พัดถมจิตใจของใคน มี่คงเห็นเร็นตามเป็นเวลาเป็นชาวเป็นสมอเมื่อจิตใจ ล, ลวมรวมห้ือจิตใจตัดความสงสัยส่วนนั้นข <c oughs> ่วนนั้นได้เน <c oughs> ้นไปจากชัดชป็นเป็นข่วระยะเวลานิดหน่อยเข้าใจว่าเรื่องประพปฏิบัติธรรมมีความรู้ความสลาดมีความสงบสงัดมีความ สุขความสบายกายไม่ใช่เราเราไม่ใช่กายเราไม่มีในกายกายไม่มีในเราควาข้าใจชาตเกินเห็นประจับมีเพียงขณะเดียวต่อ น, นั้นไปที่เหลือจะลุมเผาใจแต่ความเชื่อมัน่นของท่านผู้ปฏิบัติจะต้องเชื่อมามันเป็นอย่างนั้นแตก่การกำจัดสิ่งแวดล้อมคือเรื่องจิเลปัญหาที่แฉะเผาหรือเข้ามา ความจัดยังไม่ออกยงไปเห็นพจัดตั๋วขณะเวลาเท่านั้นามเชื่อมันจิ่งถือว่าเป็นพระโสดาถ้าหาพระโสดาละสกจยสิทิในผิวกายของตนพจัดคาดเปี่นไม่ผิวกายเราเป็นเราไม่ผิวเราอ่ะมีในกายไม่ื่อว่ากายมีในเราจิงจังแล้ว เพกิดตอนไหนพระโสดาผู้นี้อยู่ตามตำรับตาราจึงเป็นผู้ที่มีสามีภรรยาได้ก็พราะหลงตาอยู่นั่นเองแต่เห็นยังขณะเดียวใจเชื่อมัน่นแต่ปฏิบัติไม่ได้อํา น, นาจท้องเกิดปัญหายังมีกําลังมากกว่าเรื่ท้องมากเกิดนั้นจึงผัดดันพระโสดาให้เกิดมีสามีภรรยาไปได้ าหาเป็นทุกการทุกเวลาท่านผู้ละผู้ถอดถอนผู้ทาจิตทำใจทังคนแก่ปไปจากชัดเจนอยู่อย่างนั้นทุกวันทุกเวลาทุกขณะของจิตแสเรื่องจิตที่ตาเป็นอย่างนั้นตายเห็นอย่างนั้นตายจากอย่างนั้นตายเป็นอะไรจิตเป็นอะไรเข้าใจชัดเจนเราไม่ใช่ตายตายไม่ใช่เรา เราไม่มีในตายตายไม่มีในเราเราไม่มีในเวทนาความสุขความทุกข์เฉยๆไม่ใช่เราเราไม่ใช่เุยทุกข์ทุกขเฉยๆสัญญาความจําก็ไม่ใช่เราเราก็ไม่ใช่ใช่สัญญาความจําความจำไม่มีในเราเราไม่มีเลยความจําอะไรที่เป็นเราจะเข้าใจชัดเจนทั้งฌานวิญญาณ คิดอยกว่าขันทั้งหา้าเข้าใจขันทั้งหา้าชัดเจนว่าขัน ท, ทั้งหา้าในใจเราเราไม่ใส่ขันหา้าเราคื อ, อผู้ปฏิบัติจึงรู้จกักขันหา้าชัดเจนเห็นอย่างขันห้าในใจเราเราไม่ใส่ขันหา้าตามความสันนญญาตามนินสิตของตนผู้พูดเข้าใจว่าตามบริสุทธิ์ ท่านจะเห็นไป่ใกในท่านผู้ปฏิบัติอย่างนั้นเห็นธาตุเห็นขันในใ่เราเราม่ใจธาตุในใจขันอะไรเป็นเราเข้าใจธาตุเกียเรื่องรูปก่าตามเรื่อทาทนาสัญญาทาัทาง้งฐานยินยานก่อตางเรื่องเหล่านี้เป็นของมีอยู่เป็นของอนิจจงเป็นของอนัตตาของที่ไม่ใช่อนิจจ์อนัตตาคืออะไร จะต้องเข้าใจชัดเจนเรื่องที่มีปัญหาที่เกิดขึ้นหรือนิยอยู่อารมณ์ทันยาที่เราเสมอกันอยู่มันมีมาจากที่ไหนถ้าหากไม่เย็บส่วนนี้ไม่ซื้ส่วนวนี้ว่าเป็นของของเราหรืเราไม่ใช่ส่วนนี้อะไรเป็นเราเข้าใจชัดเจนคนนั้นตามหลันี้าจะเข้าใจว่าเป็นผู้หลุดพ้นเป็นผู้ถึงวิมุต สมมติทั่วไปจะเข้าถึงได้เพรตั้งแต่เตียงขันห้าเท่านั้นส่วนท่านผู้ที่คนไปจากขันห้าอะไรโรคจะเข้าไปถึงไหมเพราะมันไม่ติดต่อกันเรื่องธาตุขันเป็นของสมมตุติเรื่องผู้มารู้ธาตุขันจะต้องเป็นมีมตุตความรู้ทั่วไปจะมาทํา จิตทำใจในเศ้าหมองฝุ่นมัวรยอะดีใจแย่ใจต่างๆนมนาเพราะเรื่องธาตุขันตรงนั้นเรื่องจิตใจยังเลียร์อยู่กับธาตุขันธาตุจิตใจในเกียร์กับธาตุเจ้ขันไม่เห็นธาตุเห็นขันเป็นตนไม่เห็นตนเป็นธาตุเป็นขันไม่เห็นธาตุเห็นขันเป็นของของตนทีมีอยู่ในตนไม่เห็นตนมีอยู่ในธาตุในขันมันจะต้องพ้นไปได้ในจิตสมุติในคลองในสมุด นี่พวกเราทั้งหลายที่เคยถามาหรับตาราเคยอ่านมาหรือเคยได้ยินมาการปฏิบัติอย่างนี้หรือความเห็นอมไปจากชาติเยนอย่างนี้ยังไม่มีในพวกเราเียุนั้นการที่ว่าขาดขันเพราะว่าตามสัญญาอารมณ์จี่เคยได้อ่านมาหรือเคยได้ยินไดฟังจากครูบาอาจารย์ขาดขันจริงๆังคืออะไรความสมมุติว่าขาดว่าขัานแล้วทา ที่ว่าดิมุตเป็นอย่างไรเราไม่ไประจักษ์ในใจเหตดนั้นอากตจิริยาธาตุต่งางๆของนักปฏิบัติผูกผลิตปฏิบั ต, ไบติไปถึงที่สุดยิมุตนิพพานท่านจึงไม่ได้ไดระวังรักษา่อยใจตามธรรมดาเพราะท่านไม่มีเขี่ยงยึดหรืออะไรติดตามไปถึงความบริสุทธิ์ของท่านไม่ได้ตับสะพานทัา น, นโลกจากความบริสุทธิ์อยู่คนละฝั่ง เข้ถึงกันอาตัดินทธยาขาดทีต่างๆจริงเป็นของธรรมดาไม่เป็นของผิดคนจะละมันก็ละไม่ได้จะถอดจะถอนมันก็ถอนไม่ถ อ, อ, อ, อนไม่ได้ขาดขันไม่ใส่ที่เหลี้ยี่เหลี้ยดไม่ไ ใ, ใส่ขาดไม่ได้ใส่ขันแต่อาศัยกันอยู่นั่นเราแจกจังไม่ออกเราแบงยังไม่ออกขาดเป็น เเป็นทอยก็ยังเยียดอยู่โดยเห็นด้วยกวดเจริณายังไม่ได้ถ้าจริณา ไ, ได้เคล็เป็นอย่างคอยเป็นอย่างเห็กวดอยู่เป็นอย่างไม่ใช่อันเดียวกันมีจิตใจของท่านผูกเป็นรีมุตกว่ทํานองเดียวกันไม่มีการมีเวลาว่ามันเศร้ ань, ามันใสว่ามันได้มันเสียว่ามันไปมันมาไม่มีการมีเวลาจะระวังรักษาว่าอยันมันเสื่อมอย่างนั้นมันเสียอย่างนี้ เร่องการเสื่อมการเสี ย, ากายการได้การมีต่างๆเป็นเรื่องจิตที่ยังเสียกันอยู่การขาดการขาดเหตุนั้นการที่นิ้พิจารณาเรื่องขาดคันให้ยอดทายภายในจิตในใจจนเห็นความบริสุทธิ์ของใจที่พ้นไปจากขาดคั่นจึงเป็นของสําคัญที่พวกเราท่านนักปฏิบัติจะฝึกหัดอบรมหรือที่นิ้พิจารณา ให้ไปจับธาตุเปลีในสน่วนของตนจะเห้นความหลุดพ้นเป็นอย่างไรไม่ต้องไปถามใครไปจากในใจของตนเพราะยห็นตนเป็นผู้รับประทานความอิ่ม่ต้องไปถามคนอืน่นจะต้องรู้ขึ้นจากการรับประทานของตนว่าผลความอื่มเป็นอย่างไรไม่ต้องไปถามใครถึงอาหารจะมามาตายกองสักเท่าไหร่เมื่ออื่ม ในตัวแล้วอาหารเหล่านั้นไม่เป็นปัญหาไม่เสียได้ใครจะเอาไปซื้อไปขายไปซิ้งไปเทที่ไหนในมีการเสียใจมีการตัดสินปฏิบัติของนักปฏิบัติทั่วไปขัวให้เป็นทํานองเดียวกันแต่จากคาดเดาในท่านผู้ปฏิบัติเป็นสารพิจิตโกหรือปฏิจจังในความบริสุทธิ์ของท่านเรื่องธาตุขันมันจะแตกจะถลายหรือมันจะเป็นไปอย่างไร ไม่มีการเสีย อ, อกเสียใจไม่มีการยินดีพอเรื่องพาดขันเป็นอย่างสมมุติอันหนึ่งอย่างที่มุดเป็นอย่างไรท่านเข้าใจชัดเจนเราพบหน้าชาดหน้าปัจจุบันของท่านเป็นอย่างไรจิตในอะไรคล่องในอะไรท่านเข้าใจพบหน้าชาดหน้าจะบอกไปถูกทําไมเรื่องของจิตของใจคือบริสุทธิ์ จะมีโทษมีชาติอีกต่อไปหรือไม่พราะใจปัจจุบันของท่านท่านมองดูอยู่ท่านเห็นอยู่ท่านรู้อยู่ว่าจุดในอะไรโทษชาติจะมีไหมทุกสิ่งทุกอย่างความเป็นมีมุตความหลุดของใจท่านไปจากอยู่แล้วท่านจะไปสงสัยอะไรจะประฤอบปฏิบัติมีอายุยืนยงคงอยู่หมืน่นปีแสนปีความดีเด่น การเสียแะ่เสด็จขุ่นขันมีมไหมความปาถนาจั้งใจของผู้กว่าเพื่อปฏิบัติผิดถึงดีมุดมีการปาาจั้งอะไรอีกคงไม่มีเพราะความหลุดพ้นอย่างนั้นทุกท่านที่กว่าเพื่อปฏิบัติเมื่อประสบผลก็ต้องทราบชัดในจิตของตนว่าไม่มีอะไรที่น่าปาาจั้งที่น่าตื่นใจที่น่า ย, ยินดี ยิ่งก่านั้นเป็นความสุขที่เหมาะสมเป็นความสุขที่ไม่จืดจางเป็นความสุขที่เพียงพอบริบูรณ์จะหาอะไรมาเพิ่มอีกไม่มีความสุขส่วนนี้เป็นความสุขสงบอยู่ทุกการทุกเวลาเสมกับพาสิทธิว่านัตถิสังติพลังสุข ส, ขสขุอื่นยิ่งกว่าความสงบในนี้ ความสงบของจิตของใจที่เกลี่ยไปโดยขาดโดยขันเป็นอย่างค่วนความสุขความสงบที่พ้นไปจากขาดขันจิตแผ่นเปล่านาจิตท่านจิ chỉ, เป็นไปอีกอย่างเราเคยต่อเพื่อปฏิบัติเรื่องสงบสันนิษจากที่เหลือตั้นหาในเวลาที่จิตของเราเข้าไปสงบจะไน้ ให้ตัดสินใจหรือไม่มไปจากในใจว่าความสงบส่วนนี้เป็นความสงบจากที่เรียนทั่วไปความสงบส่วนนี้เป็นความสงบที่หลุดพ้นไม่ใช่เชื่อในตนมาตนหลุดพ้นไม่ใช่เชื่อในตนว่าสงบสงัดจากที่เรียนจริงจังเพียงแต่ส ง, ขงบของจิตของใจที่ไม่ปรุงไปตามสัญญาอารมณ์หรือขาดจากสัญญาอารมณ์ทั่วการท่วเวลา แตบความสงบที่ขาดไปจากที้เหร่ปัญหาที่เป็นความหลุดพ้นเป็นอย่างไรเข้าใจกปจับนักปฏิบัติจะต้องเห็นผลในการปฏิบัติของตนแต่อย่างนี้ไม่ใช่ว่าสงบนิดหน่อยแล้วก็หรือว่าเป็นข่องหยุดข้องดี ท, งด ท, งดที่เศษแล้วแต่ที่เหร่ปัญหามีอยู่ในจิต ใ, ในใจเป็นอย่างไรในคน้นควาหรือที่ไม่พิจารณาหรือไม่ ในได้ที่นิสิตเจนะการสงบไม่ใช่สงบสักทีเพียงสงบลงไปนิดหน่อยเท่านั้นก็เกิดความปรื้มใจดีใจเหมือนคนจนพบล่าลำรวยสิ่งนี้นิดหน่อยก็ว่าทัวรวยใหญ่แลื่นึกควันขวายอะไรคนที่สุดใช้ถอยไปนิดนิดหน่อยก็หมด